สิป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่สแสวงหากามพระพุทธภาษิตธรรมนียานิอรัญญานิยัตนาระมติชโนวีตะราคาราเมศสันตินเตกามะคเวสโนคำแปลคนสามัญย่อมไม่รู้สึกรื่นรมในป่าแต่ท่านผู้ปาชญจากราคะไม่สแสวงหาการย่อมรู้สึกรื่นรมในป่าเช่นนั้น แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมแต่คนสามัญไม่รู้สึกรื่นลมในป่าอย่างนั้นแต่เป็นที่เรื่นรมของท่านผู้ปร า, าศจากราคะเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหาการอธิบายพระพุทธภาษิตนี้มองในแง่ปรัชญาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเป็น subjectiv e คือสิ่งต่างๆไม่มีความดีความชั่วความน่ารักน่าชังความน่ารื่นรมหรือไม่น่ารื่นรม ในตัวมันเองแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความรู้สึกของตนเองด้วยประการชนิดคนคนเดียวสิ่งสิ่งเดียวจึงเป็นที่ชอบของบางคนไม่เป็นที่ชอบของบางคนเพราะคนแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันมองในแง่การปฏิบัติธรรมป่าย่อมเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมและหาความสงบทางใจในบ้านเมืองเกื่อนกลอยู่ด้วยผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอัศมิมาณนะจั มีความถือตัวแรงมีความแข่งดีกันมากจึงมักมีเรื่องผิดพ้องมองใจกันอยู่เสมอทำให้กังวลฟุ้งซ่านนอกจากนี้ยังมีวิสภาคารมคืออารมณ์อัจเป็น่าสศึกแก่ความสงบค่องใจอื่นๆ อ, อีกมากในบ้านเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีใจสงบแล้วอยู่ที่ใดก็สงบหน้ารื่นรม คนมีใจไม่สงบอยู่ที่ใดก็เหมือนสถานที่นั้นแกล้งลงโทษตนจริงอยู่มองในแง่จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความดีความชั่วของคนอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้มีใจมั่นคงในคุณธรรมย่อมจะไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมดึงตนให้ต่ำลงได้พระพุทธภาสิทินี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับที่เชตวนาราเ ม, มืองสาวัตถีทรงปรารบหญิงคนหนึ่งซึ่งไปยั่วยวนพระเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ภิกษุถือบินธรรมบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งรมสมณธรรมอยู่หญิงแพทย์สยาคนหนึ่งนัดกับชายวายใกล้ๆสวนนั้นคอยแล้วคอยเล่าแต่ชายไม่มาเธอมีความกำหนัดรุนแรงขึ้นจึงเที่ยวเดินไปทางโน้นทางนี้มาเห็นพระเถระนั่งสมาธิหลับตาอยู่ เมื่อหญิงนั้นไม่เห็นใครอื่นจึงคิดว่าคนคนนี้ก็เป็นชายเหมือนกันพอบำบัดความใคร่ได้จึงทําท่าทางต่างๆเพื่อเย่อหยวนให้พระเถระลุ่มหลงมีการเปลื่องผ้าแล้วนุ่งนุ่งแล้วเปลื้องออกสยายผมแล้วกราบปรบมือและหัวเราะเป็นต้นพระเถระได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชเหลือประมาณพระศาสดาทรงพิจารณา การบําเพ็ญสมณธรรมของพระเถระอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วตัดว่าภิกษุที่อันไม่น่ารื่นรมของผู้สแสวงหากรรมนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่สแสวงหากรารมผู้ปัสจาราคะดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่ารมณิยานิอรัญญานิเป็นอาทิมีนยะดังพรนนานามาแล้วแต่ต้นวัคที่เจ็ชื่ออรหันตวักขวรรณนารวมสิบเรื่องจบ เพียงเท่านี้ น, นี่เป็นอีกวัดหนึ่งนะเลื่มนตนเล็กหนึ่งเหมือนกันวาด้วยพันหนึ่งแม้พูดตั้งพันพระพุทธภาษิตสหัสสะมปิเจวาจาอนัต t ะปะทะสันหิตาเอกังอัฏฐะปังสะโยยังสุตตวาอุปสัมมติ แปลว่าคาพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟังแล้วทําให้สงบได้นั้นประเสริฐกว่าอธิบายคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ท่านเรียกว่าสัมผับปลาปะจัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งในอัตถกถาแห่งพระคาถานี้ท่านยกตัวอย่างเช่นคำพรรณนาอากาศ พรนาภูเขาพรน า, นาป่าไม้เป็นต้นไม่เป็นวาจาที่แสดงนิพพานที่ท่านกล่าวนี้เข้าใจว่าจะหมายเอาอย่างสูงคือเป็นธรรมขั้นละเอียดในพระอริยเจ้าชั้นนาคามีขึ้นไปจะไม่มีคำพูดสัมผัสปราปะคือคำพูดเหลวไหลโดยปกติมนุษย์ปุทุชนมักมีคำพูดเล่นกันอยู่เสมอเพื่อสนุกรื่นเริงเพื่อหัวรเราะเฮฮา การยิ้มการหัวเราะนั้นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสของราคะคือคนที่ยังมีราคะอยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะส่วนพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์หรืออนาคามีซึ่งตัดกระแส ร, ราคะได้แล้วย่อมไม่ยิ้มไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดาเมื่อมีปิติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แยมน้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดมีความประสงค์จะให้คนถามเพื่อเล่าความ ก็แสดงอาการแย้ม น, ยน้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเสมอเมื่อพระอานุ์เห็นก็ทูลถามการพูดเล่นในเรื่องไร้สาระหรือการสวนเสเหหานั้นท่านรวมลงในคำพูดอันไร้ประโยชน์แม้พูดมากเพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครส่วนคำเดียวที่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าเพราะฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคม ในอัตกถาธรรมบทท่านระบุคำที่มีประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่นน้กายนิสติสํารวมกายว่าไม่งามน่าเกลียดโสโครกวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้กระทตาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ประกอบด้วยนิพานขันธ์ธาตุอายตนะอินทรพล ะ, ระและโพชฌงเป็นต้น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 ไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คําอันจกให้เกิดประโยชน์แก่ตนและแก่คนทั้งหลายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชฤกษ์ทรงปรารบชายฆ่าโจรคนหนึ่งคือเพชฌฆาตมีเคราแดงมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ชายฆ่าโจรมีเข่าแดงชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษคือเค่าแดงและ ในตาเหลือกเหลืองหน้าตาท่าทางบอกว่าเป็นคนรุร้ายเขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรคณะหนึ่งหัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่าชายนี้กักขรนักสามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดในลาคอของพ่อออกกินได้จึงปฏิเสธการรับเข้าหมูชายนั้นไม่ลดละความพยายามเขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรคนหนึ่งพยายามทาทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจพาไป หาหัวหน้าโจรอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้รับไว้ในคณะด้วยออาว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวกตนหัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้วันหนึ่งโจรคณะนั้นถูกจับพวกอัมารดขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องของตนทั้งหมดถ้าทำได้จะปล่อยหัวหน้าโจรให้เป็นอิสระแต่หัวหน้าโจรไม่ยอมรับทำถามโจรคนอื่นก็ไม่มีใครเอามาถึงนายขาแดงเขารับแล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมด คำทานายของหัวหน้าโจรไม่พลาดเลยโจรย่อมดูลักษณะของโจรออกคนสำคัญย่อมดูลักษณะของคนที่จะสืบช่วงความสำคัญจากตนออกเหมือนกันฉันนั้นทานองเดียวกันสมณะที่ดีย่อมดูลักษณะของสำนนะดีหรือเร็วออกเมื่อเขาฆ่าโจรแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นสละต่อมาวันหนึ่งพวกอมาจับโจรได้อีกคณะหนึ่งจนวนร้อย จึงขอให้ชายคราวแดงฆ่าโจรคณะนั้นอีกเขาฆ่าหมดพวกชาวเมืองและคณะอําอมาศเห็นว่าเขาควรแก่งานฆ่าคนประจําจึงตั้งตําแหน่งเป็นเพชฌฆาตให้ในายคราวแดงนั้นนายคขาวแดงทําอาชีพเพชฌฆาตอยู่ถึง55ปีนานไม่น้อยเมื่อแก่ลงมากไม่สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟันครั้งเดียวได้เพราะกําลังถดถอยชาวเมืองเห็นว่าทําให้คนถูกฆ่าได้รับทุกขทรมาน ร่วมกันถอดจากตำแหน่งเพชฌาตให้คนอื่นเข้าทำแทนเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องการทำกิจสี่อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลคือ 1. นุ่งผ้าใหม่ 2. ดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสยใหม่ 3. ประดับดอกมะลิ 4. ทาของหอมทั่วกายเขาขอของเหล่านี้จากประชาชนและประชาชนก็ยินยอมด้วยดีได้จัดแจงสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการ เขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะไปบริโภคยาคูพระสารีบุตรโปรดนายขาวแดงขณะเดียวกันนั้นเองพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารนาว่าควรจะไปโปรดใครได้เห็นนาย่าวแดงนั้นแล้วทราบด้วยญาณว่าเมื่อท่านไปโปรดเขาเขาจะถวายอาหารแก่ท่านและจะได้สมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นนายราวแดงพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่า เราได้ฆ่าคนเป็นอันมากมาเป็นเวลานานถึงห้าสิบห้าปีบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าเราควรทําบุญในวันนี้ดังนี้แล้วลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือนแล้วถวายยาขู่ลงในบาดของพระเถระลาดเนยใสยใหม่ลงไปแล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ขณะดูพระเถระฉันอยู่นั้นความอยากบริโภคยาขู่มีประมาณยิ่งและเกิดขึ้นแก่เขาเพราะ ไม่ได้บริโภคอาหารเช่นนี้มาเป็นเวลานานพระเถระรู้ว่าระจิตของเขาจึงขอให้เขาบริโภคยาคูของเขาเสียให้คนอื่นพัดท่านแทนแต่พระสารีบุตรบอกให้ไปพัดให้ในายขาวแดงนายขาวแดงบริโภคจนอิ่มเต็มที่แล้วมานั่งพัดพระเถระอีกท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วทำอนุโมทนาแต่ใจของนายขาวแดงฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาได้ พระเถระสังเกตเห็นจึงถามเขาเขาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นของตนแล้วก็ไม่สามารถส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระคิดว่าจะกลวงเพื่อให้เขามีใจปลอดโปร่งฟังธรรมแล้วจักได้ผลมากจึงถามว่าท่านทำเองหรือใครให้ทำเล่า พระราชาให้ข้าพเจ้าทำท่านผู้เจริญเขาตอบเมื่อเป็นเช่นนี้อกุศลจะมีแก่ท่านได้อย่างไรเมื่อได้ฟังดังนั้นนายคขาวแดงเข้าใจว่าบาปไม่มีแก่ตนจึงตั้งใจฟังธรรมจนได้บรรลุอนุโลมขันติภายในโสดาปติมัติเมื่อพระเถระอนุโมธนาเสร็จเดินกลับเขาเดินไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นเอง แม่โคโนมตัวหนึ่งขิดเขาถึงแก่ความตายไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันในธรรมสภาว่านายขาวแดงตายแล้วไปเกิดที่ใดหนอพระาศาสดาเสด็จมาตรัสบอกว่าไปเกิดในภพดุสิตพิสูจนทูลถามว่าเขาทำกรรมอันหยาบช้ามาเป็นเวลานานจะไปเกิดในภพดุสิตได้อย่างไรพระาศาส ด, ดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นได้กลยานมิตรผู้ยิ่งใหญ่เช่นสารีบุตรได้ฟังธรรมแล้วยังอนุโลมมยานให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นชีพจึงไปเกิดในภพดุสิทธิ์ภิกษุทั้งหลายแม้เขาเคยฆ่าโจรมามากก็จริงแต่ฟังคำสุภาษิตแล้วได้อนุโลมมขันติไปสู่เทวโลกแล้วย่อมบันเทิงใจฆ่าแต่พระองค์บุรุษนั้นทำอกุศลกรรมไปมากเพียงแต่ได้ฟังอนุโมทนากถา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 มีนยะดังราน น, นามาแล้วแต่ต้นสองคาถาพันพระพุทธภาษิตสหัสสมปิเจคาถาอนัตถะปัทสันหิตาเอกังคาถาประทางเสออยโยยังจุตวาอุปสัมมติแปลว่าคาถาแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าคำว่าคาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้หมายถึงคาถาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจชาวบ้านทั่วไปพอได้ยินคําว่าคาถาก็มากคิดไปถึงคาถาอาคมเกี่ยวกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมรอดปลอดภัยเป็นต้น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 พระคันธพระจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆคงจักได้นําเอาคําสอนของพระเจ้ามาร้อยกรองเป็นคําฉันไว้บ้างเพื่อสะดวกแก่การจําทํานองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคําสอนเป็นกรอนไว้จําได้ง่ายจําแม่นเลอะเรือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนกันที่พระเจ้าทรงตอบ ป, ปัญหาเป็นโครงฉันกาบกรนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกาบกรเพราะสิ่งเหล่านี้ ได้ทรงศึกษามาอย่างชำนาญแล้วในสมัยทรงเป็นพระราช ก, กุมารหากผู้ถามถามเป็นคำพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดำรัสธรรมดาในอินเดียโครงฉันกาบกรเขาเพาะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกิตพวกนักปราชญเขาทำกันเรียนกันนวังคะสัตตุศาสตร์คือลักษณะคำสอนก้าประการของภาษาสระนั้นคือ สุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตธรรมะเวทันละข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหนังสือเลเม่มอื่นบ้างแล้วจึงไม่ประสงค์จะอธิบายในที่นี้อีกพระพุทธภาษิตนี้มีความเหมือนที่กล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวักนี้แปลกแต่ในเรื่องที่หนึ่งเป็นวาจาในเรื่องที่สองเป็นคาถา ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัเชเจตวันทรงปรารพพระทารุจิริยะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระทารุจิริยะเถระทารุจิริยะเป็นชาวเรือครั้งหนึ่งเดินเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยเพื่อนฝูงมากมายเรือแตกกลางมหาสมุทรคนตายกันมาก ทารุจิริยะได้กระดานเรือแผ่นหนึ่งก็ะอาศัยกระเสือกกระสนไปจนถึงท่าสุ ป, ปาระกะไม่มีผ้านุ่งห่มก็เอาเปลือกปอพันไม้แห้งเข้าพันรอบเอวแทนผ้ามนุษย์ที่ท่าสุ ป, ปาระกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี่เองคนทั้งหลายจึงเคารพ น, นอบนอบ เข้าใจว่าเราเป็นอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเรากลับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาบสการะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนําผ้ามาให้ก็ไม่รับไว้นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเรียกเขาว่าพระอรหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมากเข้าก็สําคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์จริงจครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่า พาหิยะทารุจิริยะจกสิบหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้พาหิยะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เลยอย่าเข้าใจผิดพาหิยะฟังแล้วสลดใจถามว่าก็พระอาหารหันต์อื่นๆมีอยู่หรือในบัดนี้ถ้ามีอยู่ณที่ใดเทพได้บอกเขาว่าพาหิยะนครหนึ่งชื่อสาวัฏถีตั้งอยู่ทางเหนือเป็นราชธานีแห่งโกศลชนบท บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระนคร น, นั้นพาหิยะพระาศาสดานั้นทรงเป็นพระอระหรันตแท้จริงและทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอระหันตด้วยท่านจงไปเถิดไปสู่นคร น, นั้นมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิริยะและตัวภาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อย สมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกพาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลกเป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในกาลก่อนเมื่อาศาสนาแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุเจ็ดรูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสํารวมของบรรพ ช, ชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระาศาสนายัางไม่เสื่อมศูนย์หมดสิ้นเสียทีเดียวในบัดนี้ เราจักบำเพ็ญสมณธรรมธรรมที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปทั้งเจรูปไหว้เจดีทองแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านตั้งใจจะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาจึงกล่าวว่าผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอะไรจะขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ดังนี้แล้วทําบันไดาพาดขึ้นไปแล้วผลักบันไดเสียเพื่อไม่ให้ลงมาได้อีก หากไม่ได้สำเร็จอะไรก็จะต้องตายอยู่บนภูเขาหากได้สำเร็จย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยฤทธิ์ของตนพระสังฆเถระบ่งเล็บผู้มีพันษามากที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบินท บ, บาตในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีก6กรูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลาย จงเขียวไม้ชำระฟันบ้วนปากแล้วฉันบินธบานี้ภิกษุทั้งหลายทักทวงว่าท่านผู้เจริญพวกเราทำกติกากันไว้หรือว่าภิกษุใดบรรลุอรัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบินธบานมาเพื่อรูปอื่นอื่นข้อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทาคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนาบินธบานมาบริโภคเอง การขบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลยไม่ใช่คิดธรรมดาเนาะในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองได้บรรลุอนาคามิผลแล้วนำบิณฑบาตมาให้ภิกษุอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องการเช่นกันต้องการทำุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วนำอาหารมาเลี้ยงตนเองบรรดาภิกษุทั้งเจ็ดรูปนั้นภิกษุที่สาเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพานแล้ว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 คนหนึ่งเป็นพระทัพพระมรรบุคนหนึ่งเป็นปริภาชกชื่อสัพพิยะคำว่าเทวดาผู้เป็นสหายกันในการก่อนอท่านบอกว่าท่านที่ยังไม่เชื่อเรื่องเทวดามาบอกอาสนิฐานไปพางก่อนว่าในราตรีที่เงียบสงัดพาหิยะทารุจิรรยะอาจนั่งนอนใครควรถึงตนเองปฏิปทาและคุณธรรมหรือกิเลสในใจของตนเองแล้ว เห็นไม่สมกับการที่คนทั้งหลายยกย่องจึงสลดใจประกอบกับได้ทราบข่าวเรื่องพระาศาสดาจึงตกลงใจไปเฝ้าท่านหมายเอาภิกษุที่บรรลุอนาคามิผลแล้วเกิดในพรหมโลกนั้นพาหิยะฟังคำบอกของเทวดาแล้วสลดใจรีบออกจากท่าสุปรากร ะ, กะมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลชนบทเพียงคืนเดียวเดินทางได้ถึงร้อโยชน อาจารย์บางท่านว่าไปได้อย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งเทวดาบางท่านว่าเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้ารุ่งอรุณภาหิยะถึงเมืองสาวัตถีพระศาสดาเสด็จเข้าสู่ระแวกบ้านพระบิดธรบาทเขาเข้าไปสู่วัดเชตวันถามภิกษุที่จงกรมอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระศาสดาเสด็จออกบินธรบาตผู้มีอายุพระตอบและถามเขาว่าก็ท่านเล่ามาจากที่ใดมาจากท่าสุปรารกะ พาหิยะตอบท่านออกเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเย็นวานนี้ผู้มีอายุท่านเดินทางมาจากที่ไกลเชิญ น, นั่งพักเสียก่อนล้างหน้าทาน้ำมันพักเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยเฝ้าพระาศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จกลับท่านผู้เจริญพาหิยะตอบอันตรายแห่งชีวิตของพระาศาสดาหรือของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ ข้าพเจ้าเดินทางมา120โยชีต์โดยไม่ได้หยุดพักเลยด้วยมุ่งหมายจะได้เฝ้าพระาศาสดาทันทีที่มาถึงขอให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระาศาสดาเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพักพาหิยะกล่าวดังนั้นแล้วมีอาการเร่งร้อนเข้าไปสู่ตัวเมืองสาบถีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จบิณฑบาตอยู่มีพระพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้เกิดปราโมดคิดว่านานเหลือกเกินหนอ ที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมตัวเดินเข้าไปหาถวายบังคมด้วยเบญจางพะประดิกลางถนนนั่นเองจับข้อพระบาททั้งสองแล้วทูลว่าพระเจา้าข้าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงแสดงธรรมอันจกเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ตลอดกาล น, นานด้วยเถิด พระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่สุดไม่ได้มีพระพักและพระเนตรอันชาบสายแววแห่งความปราณีอยู่เสมอทอดพระเนตรพาหิยะด้วยความเอ็นดูพลางตรัสว่าพาหิยะบัดนี้หาใช่การอันควรที่จะแสดงธรรมไม่เรากําลังบินทบาทในละแวกบ้านท่านจงรออยู่ก่อนเถิดความกระหายของพาหิยะไม่ได้ลดลงเขาทูลว่าพระเจ้าข้า ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะไม่เคยได้อาหารนั้นไม่มีแต่อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์และของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากดังนั้นขอให้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยพุทธประสงค์จะให้พาหิยะบรรเทาความกระหายลงเสียก่อนพระทศพลจึงตัดห้ามอย่างเก่าอีกครั้งหนึ่ง ส่งรู้โดยตลอดว่าจำเดิมแต่การที่ภาหิยะเห็นเราแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาเอิบอาบไปด้วยปีติปราโมทผู้ที่มีปีติกำลังกล้าเช่นนั้นแม้ฟังธรรมก็มิอาจแทงตลอดเนื้อความแห่งธรรมได้เมื่อใดใจของเขาตั้งอยู่ในอุบเบกขาเมื่อนั้นการแสดงธรรมจึงจะมีประโยชน์แก่เขาอย่างเต็มที่อันหนึ่งร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ก็เดินทางมาทั้งคืนสิ้นระยะทางถึงร2 0ยยชนสบโย์ขอให้ความเหน็ดเหนื่อยของเขาได้บรรเทาลงก่อนเถิดเมื่อพาหิยะอ่อนวอนในครั้งที่สามพระศาสดาจึงตัดว่าพาหิยะถ้าอย่างนั้นเธอพึงสำเนียกว่าเราจะเข็นรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นจากฟังเสียงสักแต่ว่าฟัง จกรู้ศักแต่ว่ารู้อย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นเข้าจับเกาะในการเห็นการฟังและการรู้นั้นอย่าให้ความดีใจหรือเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจเพราะการได้เห็นได้ฟังและได้รู้นั้นดูก่อนภาพยะด้วยอาการอย่างนี้ตัวเธอจะไม่มีในโลกนี้หรือในโลกไหนไห น, นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้พาหิยะทารุจิริยะ ก็ทำอาสวะให้สิ้นไปบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิษาทั้งหลายทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้ไปแสวงหาบาตรแทจีวอนเขาจึงพระจากพระผู้มีพระภาคไปเพื่อแสวงหาบาตรแทจีวอนทราบว่าพาหิยะนั้นเคยบำเพ็ญสำนนธรรมมาตั้งสองหมื่นปีแต่ไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอื่นในเรื่องบาตรแทจีวร คิดแต่เพียงว่าควรบริโภคใช้สอยด้วยตนเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้จึงไม่ได้ทรงประธานบนรรพชาผสมบททันทีเพราะทรงทราบว่าบาทและจีวร อ, อันสาเบ็ดด้วยฤทธิ์จกไม่มีแก่พาหิยะนั้นดังนั้นพาหิยะจึงต้องเที่ยวแสวงหาเองบังเอิญถูกแม่โคนมตัวหนึ่งวิดตายพระาศาสดาสเสด็จบิทาบาตามพระอัธยาศัยแล้วทรงกระทพัตกิจเสร็จแล้วมีภิกษุตามสเสด็จหลายรูป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 พระาศาสดาตรัสบอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพานแล้วและทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเอตตะทะว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเราผู้ตรัสรู้เร็วพาหิยะเป็นเลิศกว่าใครทั้งหมดภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพาหิยะได้บรรลุพระอรตผลเมื่อไรพระาศาสดาตรัสตอบว่าในการที่เขาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงขณะบิณฑบาต ค่าแต่พระองค์พระธรรมที่ทรงแสดงณนะที่นั้นมีประมาณน้อยหรือเกินภา hiya ได้บรรลุคุณวิเศษด้วยธรรมเพียงเท่านั้นได้อย่างไรลำดับนั้นพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากแม้คาถาพันหนึ่งแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐส่วนบทแหง่งคาถาเพียงบทเดียวแต่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าดังนี้แล้ว ได้สืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อบสู้คำเดียวที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นอาทิมีในยะรังพรนานามาแล้วแต่ต้นชะนีแหลยังธรรมกถาสาายสมันเตหิสันละเคตาภาตี ได้ขอคิดเยอะอยู่เนาะได้รู้หลแง่หลายมุมต่างแง่คดีโลกคดีธรรมนะทำให้เราได้น้อมนึกลำลึกถึงนะในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะในเรื่องของกิเลสต่างๆ ก, ก็ไม่แตกต่างกันนะนะ บางทีเราคิดว่าเออสมัยพระเจ้าคงจะสงบรวาบปรื่นดีทุกสิ่งทุกอย่างภาษาพวกก็คงจะเรียบร้อยดีแต่พอเราศึกษา ก, <c oughs> ก็มีเหมือนกันเนาะขนาดท่านเป็นพระอรหันต์แล้วปุถุชนธรรมดาพระภิกษุปุถุชนก็อดที่จะคิดแบบปุถุชนไม่ได้นี่ยังมีอิจฉาเมริสัยยะมีพอใจไม่พอใจในการแสดงออกมาเหมือนกันเนี่ย นี่มันเป็นธรรมดาของโลกถ้าจิตใจมันเต็มไปด้วยกิเลสมันก็เป็นลักษณะนั้นนะเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าคนคนอื่นนเข้าไปถึงไหนแล้วตนเองจิตใจเป็นปุถุชนก็เอาความเป็นปุถุชนเนี่ยไปกล่าวไปด่าไปว่าเนี่ยผลสุดท้ายก็เดือดร้อนตอนเองเนี่ยเนี่ถ้าถึงว่าการไปด่าไปว่าผู้ที่มีคุณธรรม หรือพระอริยเจ้ายิ่งเป็นพระอรหันต์ก็ยิ่งแล้วเลยนะเนี่ยมีโทษมากแม้ท่านจะไม่มีอะไรต่อเราด้วยจิตใจของท่านนะแต่ว่ากรรมที่เราทำนะมันสนองเราเองเนะี่ยถ้ายิ่งเรารับรู้นะนะเนี่ยเ่เหมือนท่านที่ทำสามเณรหรือทิกสุที่ทำต่อภาษารีบุตรนะ S <S <an> ขนาดพระอารคะสาวกก็ยังไม่พ้นไป <S an> จากความติสินนินทาของปุถุชนเพราะมันอยู่กับปุถุชนเนาะ <S an> อยู่กับคนธรรมดานี่ <S an> มันก็ไปไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าท่านไม่ติดขอ้องหมองใจอยู่ในเรื่องนี้ <S an> ได้ข้อคิดดีนะ <S an> อย่างน้นอยๆได้คติเตือนใจ จากธรรมของภาษารีบุตรก็ยังดีในการปฏิบัติทำใจให้หนักแน่นทำใจให้เหมือนแผ่นดินให้เหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟคือไม่สะตกสะทานแม้ใครจะโยนอะไรเข้ามาก็ตามก็ไม่ได้ติดใจในสิ่งนั้นดูเหมือนทำยากแต่ถ้าฝึกแล้วมันก็ทำได้ การฝึกนั่นก็คือรู้จักโทษคุณของมันนะแล้วก็ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนอย่างที่ท่านแนะนำให้พิจารณานะเนี่เกิดมานะีน่มันก็อาศั ย, ยธรรมชาติคือธาตุเท่านั้นที่มันผสมกันขึ้นมาทางร่างกายนะนยแล้วมันก็ดับไปตามธรรมดาของมันนี่ แต่ให้ความสาคัญมั่นหมายเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นมากมายเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอบายสงบรำงับมันได้มันก็ยิ่งพอกพูนเจริญขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีแต่กิเลสเต็มไปหมดเอมันก็เลยให้ทุกข์ให้โทษตลอดการนะเอันไม่มีตาปัญญาที่พอจะมองเห็นได้เพราะไม่เคยน้อมนึกลำลึก อปปนยโกน้อมมาดูตนเลยเนี่ยมันก็เลยสติไม่ทันไงเนี่ยแต่โอุปนยโกน้อมเข้ามามันมีสติคอยตักคอยเตือนอยู่เสมอนี่ยรู้อยู่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรดีไม่ดีอะไรควรรับไม่ควรรับมันรู้จักนี่ยอะไรที่จะให้ทุกข์ให้โทษมันพิจารณาดูแล้วเออรับไปไม่ได้รับแล้วก็มีโทษเนี่ยโดยเพราะอารมณ์เห็นไหมอย่างภาษารีบทเนี่ย ท่านว่าท่านไม่มีอะไรเลย <c oughs> พอใจของท่านน่ยมันเหมือนแผ่นดินสี่ซึ่งรับได้ทั้งของดีไม่ดีของเหลวหรือของสปกปรกโสโครกหรือสะอาดรับได้หมดนี่พอท่านไม่ได้ยึดมันถือมันในตรงนั้นมันกระทบก็สักว่าแต่กระทบเท่านั้ น, น, นแล้วยิ่งไปกว่า น, นั้นที่มันซึ่งมากกว่า น, นั้นท่าว่าแม้ขอโทษแล้วท่านก็บอกว่ า, วาไม่มีโทษไม่มีใครมีโทษ ท่านก็ไม่มีโทษคนทําก็ไม่มีโทษอะไรแต่มันเป็นโทษของวัตตะเห็นไหยแม่สามเณรที่บรรลุพระอรหันต์แล้วนั้นก็กล่าวอย่างนี้เหมือนกันสามเณรน่ารักนะตัวเล็กๆน่ารักเจ็ดขวบแค่นั้นเห็นไหมล่ะนยขนาดตาบอดโดนนั้นยังโอยยังอย่างว่าในสภาวะของพระอรหันต์นะยังไม่มีโกรธไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็ยังทนทํอย่างทนที้ ให้อุปชาอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยยังไปว่าเพิ่มแล้วไปอีกพอเรียนใช่ไหมพอรู้แล้วมันเดือดร้อนภายหลังเนี่ยกรรมชั่วเมื่อทําแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังเนี่ยทํารู้ไม่รู้มันถ้ารู้เนี่ยมันเดือดร้อนเหมืนกันนะบางทีทำด้วยความไม่รู้แต่พอรู้มันก็เดือดร้อนเนี่ยบางทีมันสบายเพราะความไม่รู้เนี่ยมันลองพระชาท่านว่นี่ไม่รู้มันก็สบายได้เหมือนกัน สบายกว่าไม่รู้แต่รู้เมื่อไหร่หนักนะอย่าถ้าทํากรรมหนักก็หนักเลยนี่นี่มันจริงนะนี่จะไปแกล้งว่าไม่รู้มันไม่ได้หรอกโดยสัจธรรมมันเป็นไปไม่ได้เนะี่แต่ในเมื่อมันยังไม่รู้เนี่ยมันก็มันก็สําคัญว่ามันไม่มีโทษจริงๆนี่แต่มันรู้จริงๆแนละ้โอยตายแล้วเดือดร้อนเห็นไหมทนไม่ได้เลยนี่กระดาษสามเณร พูดให้เบาใจเพราะยังทำใจไม่ได้ต้องมาพัะใจเจ้าต้องมาฟังธรรมเพื่อเจ้าถึงจะได้เบาใจนี่มันเดือดร้อนเหมือนกันแต่ท่านจึงให้ระวังสังวรเ น, นะนี่ยความโกรธมันมีแต่ก็ให้รู้จักเมื่อรู้จักว่ามันเป็นโทษมันก็สงบลำงับมันได้เนะนี่ยความโลภมัน ม, มีรู้ว่ามันเป็นโทษก็สงบลำงับมันได้เนะี่ยมันอยากเหมือนกันเนะี่ยพอนึกถึงว่าไม่รู้จะเอาไปทําไมเนะี่ย พยายาโกรธไปทำไมอย่างนี้โกรธก็แค่นั้นไม่เห็นให้คุณเลยมีแต่โทษทั้งนั้นเลยนี่สู้เราไม่โกรธดีกว่าเนี่ให้คุณตลอดเ <c oughs> พราะไม่โกรธต้องให้คุณตลอดนี่ไม่ได้ให้โทษเลยมีแต่ความสุขมีแต่ความเมตตาเนี่ประหัสคิดดีไว้ดีกว่าเนี่ยคิดดีไว้ไม่เสียหายคิดไม่ดีมันเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนี่ย แนะคิดดีนี่มันยังให้คุณนะให้คุณตลอดสนับสนุนให้เกิดความดีใจปลื้มใจนี่นี่ว่าเราได้ตั้งอยู่ในความดีนะี่มันมีคุณลักษณะอย่างนั้นแหละนะี่แต่จึงให้ตั้งอยู่ในคุณความดีนะี่แต่ว่าบทที่เราต่ถ่ายนี่ก็เป็นบทที่ดีนะนี่ารู้จักจับใจความนะี่เอานะ ไม่ต้องมากเห็นไหมคาถาแม้พันเนี้ถ้าไม่สําเร็จประโยชน์มันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะสู้คาถาคาถาเดียวไม่ได้เลยเนะเหมือนคนพูดมากแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ฟังทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยสู้คําคําเดียวเนี่ยน้อยแต่สําเร็จประโยชน์นี่ดีกว่านี่ยในวัดนี้ท่านจึงเด้นใน เรื่องมากเรื่องน้อยนี่น้อยแต่มีประโยชน์นี่มากไม่มีประโยชน์นี่ก็ล้วนแต่เป็นข้อคิดแต่เงั้นแหละเราฟังให้ดีพิจารณาให้ดีเผยเผยได้ธรรมปรากฏขึ้นในจิตในใจนี่นี่ไปนั่งพิจารณาดูจิตใจตนเองนอนไปกับธรรมนี่โอรปัตภับใจบทหนึ่งที่ว่าไย ท่านมองเห็นความเสื่อมของผู้ปฏิบัติเนะี่ยเห็นว่ามันจะเสื่อมไปเสื่อมไปโดยการไม่สำรวมของพระภิกษุสามเณรเยนะปล่อยตัวปล่อยใจละเลงไปกับกระแสของโลกนะี่แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งท่านสะดุดสังเวชใจโอ้ในช่วงที่คำสอนยังอยู่นะี่พระธรรมยังอยู่นะี่ แม้จะเห็นเหตุของความเสื่อมมันมีอยู่เนี่เราก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เราควรจะรีบปฏิบัติธรรมนี่ให้ได้รับผลให้ทันให้ทันกับธรรมะที่ยังปรากฏอยู่นี่ผู้ที่คิดได้อย่างนี้ก็ไม่มีความประมาทเนี่เรียนกรรมฐานบำเป็นสซนธรรมนก็ได้รับคุณประโยชน์นจากพระธรรมเน เห็นไหมมองถ้ามองเป็นนะมองเป็นมองพิจารณามันก็ไม่ไหลไปตามนี่ยมันก็เห็นอยู่บางทีก็ไปกับเขาอยู่แต่ความคิดมันก็ทวนกระแสทวนกลับอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ลืมตัวไม่หลงละเิงนะบางทีทําทําเหมือนเขาแต่ไม่เหมือนเขานะทำแล้วไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้หลงละเิงใจไม่ได้ไปตามนะบางทีก็สักแต่ว่าทำทำในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์นะ ก็ <g ül> ทําในส่วนที่บวชแต่ไม่ได้เป็นทาสของมันเนี่ย<ม>เหมือนเราใช้ของต่างๆนี่แหละเนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อเราเนี่ยถ้าเราไม่เป็นทาสของมันนะเนี่ยถ้าเป็นทาสของมันมันก็ให้โทษทันทีเนี่ยถ้าเราใช้รู้จักมันแล้วอยู่เนื้อมันน่ยมันก็มันก็ดีเนี่ยเนี่ยจะว่ามันไม่ดีก็ไม่ได้เนี่ยได้ลหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่ถ้าใช้แล้วเนี ตกเป็นทาสของมันนั่นแหละนี่มันจะดึงเราไปสู่ความพยายานเะนี่ยก็ลวนแตะให้เราต้องพิจารณานั่นแหละนี่ถ้ามองในการไก่เห็นไหมนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเหมืนนอนดอมชายของภาษารีบุตรเนี่ย ก, ก็พูดประทับใจดเห็นไหมํ <laughs> <laughs> ำให้พร น, นี้แค่สามเณรตัวเล็กยังคิดเป็นเลยเนี่ยบอให้ให้อายุยืนเหมือนคุณยาย <laughs> ร้อยยี่สาบปีสามาณีธราะใครเป็นยายร้อยี่สบปีนี่พ <c oughs> อไปถามว่าโอ้คนนี้โอ้ยดูแล้วฝันก็หักผมก็งอกนังก็ย่นกระก็เต็มหลังก็คอม <c oughs> ทำยังไงถามมาแล้วแล้วผู้หญิงที่เป็นคนรักของเขาเนี่ยแก่มาต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเลยก็เป็นมันไม่อยู่แล้วอายุมากก็เป็นเท่านั้นแหละ มันมีบา ร, รมีเลแสดงว่าพี่ชายของเราคงจะออกบวชคงจะเห็นอันนี้แน่ๆเลยว่าถ้าอย่างนั้นคงไม่ออกบวชไปขนาดนั้นหรอกนะคงจะเห็นโทษของการอยู่คลองเรือนลักษณะนี้นะนี่นี่มีบุญนะคนมีบุญคิดได้ตัวเล็กๆก็ยังคิดได้เนะี่ยหาวิธีออกกันได้เนะี่แม่เนยะหาวิธีผูกแต่ท่านก็มีปัญญาหาวิธีแก้ของท่านได้เนะี่ย สุดท้ายก็เห็นไหมเป็นสามประเนรที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศ า, ศาสนาเลยรฮะแบบนี้แค่นี้ก่อน